พระพุทธศาสนามีท <tattoos> ั้งซับภายในอกภายในซับภายในมันข้ามฐานพระเจ้าซับภายนอกมันปฏิจัยที่ไหนมาในทางที่ชอบได้มาในทางที่ประชอบเรียกว่าบ่มาในวงของพระพุทธศาสนาทางโลกก็คือกันทางขั้มก็คือกันได้มาในทางที่ชอบจึงมาได้จึงเรียกว่าได้มาในวงของพระพุทธศาสนา วองของวิทธาศาสตร์นะกับวงความบริสุทธิ์ชบอดังเหลฮะนี่เห็นเฮาไปมันบินหนีมันเพาะอยาดเอาทุกข์ใช้มันบ่เสื้อ ใ, ใจอยาดทำ้ายร่างกายมัน <c oughs> ห่วงเจ้าของเป็นสันทีหนึ่งสัดทั้งหลายช <c oughs> ุกของครืหัดมมอยู่สียาง เกิดแต่ความไม่ซับชุกเกิดแต่ความไม่ซับชุกเกิดแต่ใจซัยบเบอร์ดิโฟชุกเกิดแต่ไม่เป็นหนี้เป็นสินทุกขอสามชุกขอสี่ชุกเกิดขึ้นจากการทํางานที่ปราศจากโทษทํางานที่ปราศจากโทษคือทํางานยังไงสัมมากัมมันโต การงานชอบเว้นจากการฆ่าสัตว์นั่นประเสริแล้วเนี่ยเว้นจากการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกลามงานที่เกี่ยวกับการไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามเรียกว่าสัมมาคมมันโตการงานชอบ วิจีชอบคืออะไรคือเว้นจากพูด Tech, เท็จเว้นจากพูดหลอกเสียดเว้นจากพูดคำหยาบเว้นจากพูดเฟอเจอมโนฝุจริตคืออะไรเว้นจากเบียดเบียนผู้อื่นเว้นจากปองร้ายเว้นจากปองร้ายผู้อื่นเห็นชอบ ตามทํานองครองทาเห็นว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วศีลเป็นหัวของมนุษย์ขันมนุษย์บารสังวรักษาศีลมันขอาวุปมาคือหัวคือควาย เก้งท้ามนหัวเครื่องป้องกันของมนุษย์คือศีลป้องกันความัุวของมนุษย์ขัามนุษย์เมื่อศีลหาบริบูรณ์แล้วโรคทั้งหลายก็สงบหมดนอนกับวัสะสุุลผวาเพราะไม่เล่นอยู่รอบขาง ขายของกับว่าต้องเฝ้าโซกับว่าต้องมี่คุกกับว่าต้องมี่เลื่อนจํากับว่าต้องมี่เลื่อนจำว่าคุกอันเดียวกั น, า น, ส, นสารไตสวนสารไตสินตัดสินกับว่ามี่ทหารกับว่ามี่ตำรวจกับว่ามี่กุญแจกับว่ามี่ ขายของกับบ้าเฝาโรคสงบเครื่องศาตาอาวุธเนี่ยเชื่อเนี่ยค่าเนียเน่ยโครกยังบมมี่ปืนกับบมี่เดี๋ยไปใช้กันไม่เป็นสาหาหมดเพื่อนแกเก็บจ่ายกันประสบสาจากันกัน เป็นที่สังเวทสมเพรเวทนาหักชื่อว่าของตนคือชื่อว่าผู้อืน่นเพราะการขาดทรัพย์รักทรัพย์ บ, บม่มีผัวเมียภายไปต้องกันได้สบายใครพูดออกมากกับไม่จะความจริงบ่เสียเวลาทั้งผู้พูดบ่เสียเวลาทั้งผู้ฟัง ขี่เมาน้ำตอกห่วยห้าวเขาน้ํำตอกถนนกับบ่มีการตายด้วยค้อนด้วยไม้ด้วยสาตาร์อาวุธกับบ่มียางร้ า, ายเขามันพาดกันตายด้วยงูกัดงูจอดหรือหาวาร์ดเลื่อเหยียบไปกันสัดจิตายย้อนรอบขารอบพันกันบม่มีเรียกว่าอาเนส่งเส้นหา เห็นในปัจจุบันนี้ชาติพระพุทธศาสนาสอนโลกทุกทุกโลกเลเกิดในประเทศอินเดียพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆก็มาเกิดในประเทศอินเดียให้พระชีวะเมใตใจใช่ไหมในอนาคตีกับจะมาเกิดในประเทศอินเดียประเทศอินเดียเนี่ยถึงเมื่อไฟไหม้โลก ก็ต้องมาที่หลังเขาเมื่อตั้งโลกตั้งกรเขาเัดฌาศาสนาของมุยภูทืษาศาสนาพระโคโดมเขาเนี่ยมดไปอีกเป็นสุญญ์กับโอ้ยัย่งเป็นภาษียมามตไตภาษียามีไตแต่มาแต่เนี่ยปัญหาภาษียมามตไตนั่นหลายล้านปีเนี่ยมนุษย์ตั้งแต่พระพุทธศาสนาเข้า พระ อ, องค์เจ้าข้าวซูคนนิ้พลาดนะย่างมาท่านพ่อสี่เดือนหาเดือนได้ท่านดู้สิสั่งเดียวเนี่ยแม่ของพระ อ, องค์เจ้าเข้านะปาร์ธนาเป็นแม่พระธามาทั้งพุทธเจ้าแม่แท้ขั้งพุ่นขั้งเป็นซาตก า, า, าเพือกพุ่น ได้เป็นแม่พระพุทธเจ้ากัปคู้ท่านท่มาแล้วได้เป็นแม่พระพุทธเจ้ากโกหน้าคำนโนมาแล้วได้เป็นแม่พระพุทธเจ้ากัตสโปมาแล้วได้เป็นแม่พระพุมธเข้ามาแล้วยังแม่พระสิยมามิตรโยเขาเนี่ยพระปารถนาเป็นแม่พระเจ้าหาพระองค์เลย พอสิ้นล่มปานแม่ศาสนาพระโคโดมของเขา้าพ้นก็ไปเกิดได้สั้นรู้สิเป็นพระโสดาบันแล้วเดี๋ยวนี้จักล่งมาเกิดได้เมืองพาราณสีเพาะในพัตธกัปนี่มีพระพุทธเจ้าหาพระองค์บางกัปก็ไม่พระพุทธเจ้าสามพระองค์ ขันข้าวไหนไม่พระพุทธเจ้าน้อยพระองค์อายุของมานุษก์หลายสวนพระศรีเมตไตนั่นมีอายุแปดเมื่นปีทึงแมาได้เกิดเมื่อพระราชนีเมื่อพระราช ส, สีเดียวนี่เป็นตำบลสารานาฏ สมัยพระ อ, องค์เจ้าเฮาพราศรีเมยียไตยใช่มากเกินศิล่ินซื้อว่าเป็นเมื่อกุตุมะวะดีพระ อ, องค์เจ้ามู่งเฮาเศร้าโรคสิไปตัดสะลุไม้กากระทิ้งเพื่อไม่กระทุ้งเลือดแปลเป็นภาษาไทยแม่ของพระ อ, องค์เจ้าเฮากสิสําเร็จพระรหันสพรบศรีเมยียไตย พระปารสนาเป็นพระพุทธเจ้าแม่พระพุทธเจ้าหาพระ อ, องค์เลยเดี๋ยวนี้ยังดูชั้นดูสิทธ์พุน่นไปวายท้าเจ็ดเจ้าจุลละมณีพร้อมพระียามิตรใอยู่วัดละเจ็ดแสนโกฏิเทวดาในชั้นดูสิทธหรือในสวงสวรรค์นัจจกไดจ่าตูมมหาชาิกาตาวติงสงศาย่ามาดูสิทนิมมานวติปกรณีมีตา ว, วติสวรรค์หกสั้นเนี่ย เมื่อร่วมกันไหว้ท่าเจดเจ้าจุลมณีท่าเจดเจ้าจุลมณีนั่นใส่พระอัฐิของพระเจ้าโคตมะไว้ใส่อัฐิของพระเจ้าคาคูสันโตใส่อัฐิของพระโกนาค า, ามโนุกัจสปูโคตโมนั่งเสดสัสอัฐิของพระเสียรัตเมตโยอีกด้วยหาพระองค์ น, นั่งกับเนี่ย พันมื่ัพนี่ไปแล้วนิมดพัฒศัพท์ไปแล้วมศาสนาของพระสิยเมตไตรโยไปนี่เป็นศูนย์จะกับเดยว่าเนียบ่ม่ศาสนาบนานเนี่ยอันศูนย์จะกับดนบานไหกระโดนซ้าเดียวกับกับปูโดนปานกันกับกับปูสันโธมาเนี่ยกับปูน่านกัจโโตโมนเนี่ยนับเป็นปีในเมื่อมนุษเขา นับเป็นล้านๆโกดโกด ป, ปีพรรณาอันศุนย์ยักลับมันก็นได้พระอาทิตย์ขึ้นอีกดวงหนึ่งห่อนจัดขึ้นอีกสองดวงห่อนจัดเขาก็เกาขึ้นอีกสามดวงห่อนจัดขึ้นก็เกาขึ้นอีกสี่ดวงห้อนจัดขึ้นก็เกา ขึ้นอีกาดวงหอนจัดก็เกา่าน้มหาสมุทรทะเลแห่งเบ็ดดาบเนี่ยแห่ง้ไเต้วขึ้นเอกถึงเก็ดดวงควยไม้แผ่นดินน่นเนี่ยไม้ขึ้นประหอดพุ่มมะโลกป่าติมิ่งขลังเป็นน้ำมันดูได้มหาสมุทรทะเลเน่ะเกิด เป็นเชื่อเพื่อค okay. ้อยกันก็ไฟไหม่เมืโลกโมนี่ตั้งขึ้นไม่เอกอนโมีมันในอยู่ไนมันอยู่ในศาสนาพระรูันทูโมศาสนายุคนี่นี่อนโมีขอหมูรานคุณใดน้ำโมนี่นี่โมนีมนี่น้นีเป็นบ้านเป็นเมืองคนมดนี่นี่โมนีดน้ำมนี่นีนี่นกุดไปไดน้ำโนี่น้ำพูเนนี่แหะนี่ มันบรญญาบรเงได้หนิมันบรรดาบรรเทิงอุดรสีมือนสีมื่เนี่เป็นสีมื่นผกหอมได้ห ข, าขา้าวไหนข้าวไดเล้าไม่ไม่อำนาจเล้ากระเรื่องมากัดพระร่มันงหอมเนี่ย ข่าไหเราไม่อานาจเราก็เรื่องอานาจนมากนี่มันเสียมือของพวกขมิง้งหมดเลยแผ<อ>่นดินเนี่ยมันบามานท้องไท ย, ยุกนึงยุกหนึ่งยุกหนึ่งเป็นองเพนืนึงยุกนึงยุกนึงๆๆเป็น้องเพื่อ น, นกูแงมื่อมื่อง่กมากฮะวัฏจัสงสารเปลี่ยนโยสิว่าไม่น่าเจริญยั่งยื่นแม่แผ่นดินแผ่นดอนกันยังแตกสลายเปี่ยน ขันวะพาธิษฐานทั้งเจ็ดน้วยแล้วกัน่อยมายโลกทพย์ปุตข้อพ่อข้อในพวกพระโยนพวกมลโลกข้าเจ้ากลับไปโยนในจักรวาลอื่นพ่อยมายหอดพมลโลกกูเหรอหอดพมลไปรัท่าคนพมลเปรโลกให้ตามหาพม่าบริตาพ้าอัปมาหน้าพระอััทลาเปริตาสุภาอัปมาหน้าสุภาสุเกนะกา อสัญญาสตาวัยวออพระอ า, า, ากกระ อ, ว, อ, ว, อาวิหาอัตป่ท า, าทุตสาทุตสีอการิสกานั้นไม่ประหอดอ่าพวกพระอนณาค่าไม่ย่างพันฝนตกกับปไปถอนกันโยนบัดถอนอยูอวิหาอัตป่าทุตสาทุตสีพวกหันที่ตั้งแผ่นดินไม้ไหันฝนตกลงมา นี่แหละกับเม็ดทอประมือธรรมดาโดมายโดยมากกับเม็ดทอลําตานโดลมากอีกเลยแสนปีน้ำคืนหอดพุทหอดพุมรรกหันละน้ำอีกนับไปหลายๆกว่าแสนปีน้ำก็งวดลงงวดล่งงวดล่งงวดล่วงก็เลยเป็นแผ่นดินข้าไไ้สิมีพระพุทธเจ้า มาตัดทะลุนะ้ำเ ม, มันก็ไม่ดอกบัว อ, อยู่สามดอกที่ดอกก็ไม่หาดอกก็ไม่เข้าได้เพราะุเจ้ า, าจตงมาตัดเท่าไรก็เกิดเป็นดอกบัวเท่านั้นคืนมีผ่าไก่พร้อมสังหรณ์อย่างสันตั้งแผ่นดินขึ้นไม้ให้เนะ่ตั้งขึ้นแผ่นดินขึ้นไม้ก็ค น, นกับ หน้าม้วดลงคือห่าหอันต้มเกลือเนี่ยคืแล้าต้มยังเนี่ยไอ้เมื่อไหร่ก็มากลายเป็นดินให้เลยหอมบอนยังใ่เ้เ่ยสัตว์ทางไล่บรรดาเกิดมากจะได้ทิพอื่นพุดพูดละวิญญาณมันมากพวกที่สวยสั้นกับไปยุพวมโรงเนื้อพุ่น รัดไปอบรมใส่จังไรสไวายชั่นพอได้อบรมมาทศาลกรผุดก็มีตั้งแผ่นเดียนขึ้นอีกนี่เดียวว่ากับหนึ่ง้นี่กับหน่งันได้ล่วงไปแล้วมีจะกักบมีอังไขอังไข่กับอสงษไขยอักษรไข่กับนั่ลนล้านลานปีกันยังนับก็ได้ร้ยกว่านั้น สัต์ที่เขาสูผนึกผ้าไปแล้วเนี่ยมากก็ไม่เห็นไม่าช่เ้ี่อมห า, าสมุทรซีมหาสมุทรเมร็ดนึงก็ น, นับเป็นข้นเพลิงแล้วซีมหาสมุทรซีไม่สักข้นซีไมโตสัตว์อะไรที่วท่านเขาสูผนึกพานเนี่ยเทียบจะเขาเทียบจะขนงวที่สี่เขาสูะนึกผ้า กระเทียบใช้เขาอ่ะถึงไปในกายยังหลายเัดห้องจอดจอดแก่แก่พวกนี้จะไปพันธุพันธมัดมัดงมกงูปูปีกพนี้แต่หลงจากเป้นพระพุทธเจ้าองค์ไหนเ่ยมหันม่เซนเนี่ยโมม่ชิ่วยวเนี่ยมหันม่ีความหมายนั่นนั่นวัดตาสองสางเป็นด้วยสางผู้สางมานไม่แ ก, กาาแ่กล้ามาแล้วก ละอาเลย์เบื่อนาอยเลยวโอกาสมาท่องเที่ยวในวัฏสงสารเนี่ยมาพบตั้งแต่เกิดแต่แกแต่เก็บแต่ตายถ้าบนกินท่านก็าได้ปาถนาพระเนผ่านผู้บางเลย์ผู้ยังมาท่านบางกับปาถนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพมสมบัติอยู่นี่ผู้เห็นไพ่ในวัฏสงสารนึกปาถนาพระเนผ่านอย่างเดียว ผู้ น, น, นั้นสั่งว่านี่แคกรรมแล้วคนเป็นยังจังเหลื่อมสายรัตีต่างๆสมบูร์ขึ้นกันเสมอกันะับก็เพราะผู้ชนพบุญสั่งมาว่าคือกันผลของกำผ้าให้เหลือมสายผ้าให้เปลี่ยนไปผู้คิดสูงใจสูงแล้วสมววก้นนะกัเหลือมสายพระพุทธศาสนาเพียงเดียวดิ้งล่องอนว่าถอน ศานสนาใดๆก็สร้างต่อมาเปลี่ยนเรื่องขึ้นศาสนาพุทธปัจกกจก า, า, าราจังสิสามารถในพระโสดาบันจึงสิสามารถในพระสกทาข้ามีจึงสิสามารถในพระอนาค้ามมีจึงสร้างสิษสามารถในพระอาหารหันยกอุทาหนภาษาได้พุทธอยูนชนใช่นาฏตบุตรเมื่อเลื่องใสศาสานาพุทธจังศจษง์สามารถในพระโสดาบัน สนไสนาตบุตรเมีบริวารหารอยคนไม่สาริบุตรบกขล่าเป็นผู้สลาดโกโมกอยู่ในวังนั่นเพราะสาริบุตรบกขล่ามาเลื่อมสายศาสนาพุทธแล้วสนไสนาตบุตรนเหงาเลยเพราะลูกศิษย์ผู้สลาดออกนี้่ะป่านวัดห่างเสือ อ้อนขอตอบสอบพระพุทธเจ้องไ์ใมาสอนก็เป็นค้าสอนอันเก่าประดีอันใหม่มาม า, มาสอนกันยกทราบสิพิทุขาขึ้นทุกๆพระองค์ทราบเป็นทุกเนอ้อลูกหลานพี่น้องให้พ ร, ระท่นเทศขั้นเดียวานคบใจโลกทานโลดทราบชราพิทุขาเนอ้อว่าน ก็คือเอกตะตูมนึงอีกตะทั ว, วทั้งตรโลกทะธาเพราะตรโลกทาตุันไม่เกิดเป็นทุกข์ไม่ไม่แก้เป็นทุกข์แน่เมื่อนนั่นนปีทุกขังนันเมตตายเป็นทุกข์เอกตะตูมอี ก, อ ก, อกถือมัดใจโลกราตุเอกเทศบาทเดียวแล้วหรือว่มากคือลูกระเบิดลูกเดีย ว, วทำลายโลกแตกวัดองสันว่ามัดถือมัดแน่ มานะนำพีททุกขังนั่งกระถืออีกตูนึงล่ะควโศกเป็นทุกข้กืออีกตูนึ่งอมาคือตีกองตีบาดนึงสังทว่ไตโลก า, โลานลมัึงรับ ม, ม, มเยโมเนเ็นเกาเ่านนมันมนม เขามาเห็นไมเ้เขาเข้าใจว่าเป็นของมขไม้ทำเป็นแท้ของเกา่าของมือค่อยมาชิมซากไปนะโมนี้เมือ่อสุขสันทุกคนนะสัวกับนึง่งเลยสวกัปหนึ่งก็งกมีพระพเจ้าหาพระองค์บ้างที่องค์บ้างสามพระองค์บ้างยังเก่ามาแล้วนะเก็บกระดูกไกว์พ่อหัวไม่เมื่อยได้ละศาสตร์เไม่ให้มันอันตรธานไปสัวได้กับหนึง่ง ไ่ก็พูดเขาเหี้ยไม่ได้ไงก็พูดเขาเสียดอลาดน้ำตานั่นๆั่นจังๆเสียออกเย็บใบชาเลยศบ่ให้มันอันตรรทานไปสมุดสัวก๊อปหนึ่งไ่ก็เสีมาหาสมุดคค น, คนๆนึงเห็นว่าเป็นทั้งสันการท่องเที่ยวในวัดตาทองศาลน่ยหมู่ห้อทั้งหลายก็พากันเช็ดลาบซะเน้ะพระองค์เจ้า จึงคงทำชังเลต ท, ที่เฮาเคยได้หลงมาพระพุทธเจา้เาพูดว่าครับเถ้าว่าเกิดมันดีเฮาก็จังได้มาเกิดจังยินดีได้เกิดผนเกิดเพาแแนวผลไม่แก่ไม่แก่ไ ม, แกไม่ตายเพออาาราะเหตุทางไหนเพราะความหลงของเฮามันยังรองทานด่านอยู่มันยังมันสนะความหลงเรียกว่าอาวิชชาอาวิชชาเป็นข้าภาษามาคต ขันปันหน้าแจกระมาแล้วข่วงโงก่กระแกระเจิงเห็นทั้งท่นทั้งให้อบร่มปันหน้ามีท่านศีลภาวนาเป็นต้นเพื่อจะทำลายข่วงหลงเจ้าของขอพุทธเจ้าพิมพ์มาซะชนะกับชนะค่วงหลงเจ้าของแพร่กับแพร่ข่วงหลงเจ้าของชนะอื่นพวกนี้ได้ศาสนาพุท ธ, ธเท่าชนะอื่นมันไม่ใช่ชนะ มันสางเว้นสางไพ่กันนะสังผู่ที่เมึงที่ผู่ที่เมึงที่ขึ้นขึ้นยกนนกเว้นเนี่ยอือม่ม้ยเพื่อได้ชนะกั น, นเหนว่าเข้าชนะเขาลูกร้านเขากระมิเกิดว่าเขาคาเขาอีกว่าเขาชนะเข้าลูกร้านเขาีเกิดว่าเขากันนีเว้นสน้องเว้นไพสน้องไม่ไพเวนนี่ เ, นเวนก็ไม่นิเวนแต่เว้นแคนี้จากเว้นได้กับพระไม่ปลูกเว้นพระพุทธเจ้านะ ที่หามวบอ้าขาซับรักซับเอาเพือพ่อเพลิดเพลนกามม่บช่หมไม้ขัวมาที่ซัดเว้นชิวงนี้แหละออกปดอาวุธนวันเนเดี๋ยวนี้เศ้าโลกม่เฮานะผ้ากันรบล่าคาฟันกันมาแล้วมั น, มนว่าอะไว่าจะเรินมีแต่ความจิบความหายเศ้าโลกเข้ากำลังสิเห็นเห็ น, ทนโทษบาลเลยสิเศร้าระบาดเนี่ย นอกจากึค้าที่แกนกันในประเทศท้องถิ่น้องวันท่านาละวันเนี่ยสิรบกันในระหว่างประเทศต่อประเทศก็สิยากรู้เพราะเห็นไผ่เต็มตาเนี่ยไผ่กระไรมีความผิดตามคนต่างเห็นความผิดจะของอะไร เ, เนี่ยไผ่กระไรอเนี่ยมันมาเจริญเนี่ยข่าวฟันน้าแทงเลือนเนื่ยกันเนี่ยมิตรอึดกับอึดไปมิตรยา ก, ก็ยากไป เห็นทอดละบาเนี่เห็นทอกับโค้งเขาใช้ท้าละเนี่ยสี่โค้งเขาใช้ประสาประชาธิปะตะไต่ห้าวานเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ไน้นั่นกับแบบเขาคําสอนคำสอนพระองค์เจา้าเมดื่ีไยตกลงคำคำสอนพระองค์เจ้าก็เลยเม่าข้าเนี่ยเมื่อโรคทั้งร้ายเนี่ะทูกันพ่อแห้งแล้ว มันไม่ได้ผลก็รสิภากันเหลื่อนลาบระบาดเนี้ยสิพากันพัฒนาระบาดเนี่ยพัฒนาประเทศสร์บ้านเมืองอะสมานสามัคคีกันระบาดเนี่ยฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เมตตาปาเน่กันพูชเลิศเมตตายืนอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดียังไม่หลับเพียงใดก็ระลึกถึงเมตตาได้เพียงนั้น เอตังสติงอาทิตย์เถิยะเระมมีตังมิหารังเอธมาหูฤทินจะอนุปรกรรมมาที่ลวาวานัตเนระทัมปันโนเขเห็นแล้วยืนอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดียังไม่หลับเพียงใดก็ระ ล, ลึกถึงเมตตาได้เพียงนั้นเพราะนั้นจะไม่มาเกิดในครั้อีกโดยแท้ทีเดียว จะไปเกิดในเอาวิหาัตะปาทุตสาทุตติอาการิสกาแล้วก็สู่พระเดพานัยพบนั้นผู้เจริญเมตตาหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขฝันก็ไม่เห็นหลามกันชั่วไายเวลาจะตายก็มีสติตายไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรู ไม่ได้ตายด้วยเขี่ยวไม่ได้ตายด้วยงาไม่ได้ตายด้วยไฟไหม้ไม่ได้ตายโหูโดยใจคว่ำชินลมพานด้วยโรคชร า, าล้วนๆเหิ่นว่าผู้เจริญเมตตามีเมตตมากมีสหายมากสัตว์ทั้งหลายก็เคารพเกียรติกลัวไม่ได้ตายด้วยเชี่ยวด้วยงาที่จะมากัดมาแทะ โดยใจความก็คือไม่ได้ไดไดตายด้วยน้าไม่ได้ตายด้วยไฟไม่ได้ตายด้วยลมพัดมุขขาวันโนมีสีหนา้าอันผ่องใสพมะโรกุปโกโหติเมื่อยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็จะได้ไปเกิดในพ ม, มโลกไม่ได้ลงมาเลยข้าพเส้ายัางปุรณะติติไม่ได้มาเกิดในคันอีกประเทศทีเดียว ก็มาทานเมตตาเป็นคู่กับการขาดซับการเว้นขาดซับพวกที่เว้นขาดศับก็ไม่มีเมตตาเป็นคู่พวกรักศรัพย์ก็ไม่ีเมตตาเป็นคูเอ้าขันงูห้าว่วงละเมิดเส้นหามันหลากหลายป่าหน้าที่บาดมันขา กับขาเ้าเขาก็ขาโตแต่ขาเเีเขาตายเขาก็มาขาโต ว, วันละมือนึงกับมือหนึ่งแทีหน้าท่านขลักของเารา้เขาก็มาลักของโตวเวรสนองเวรกัเม่สมิต้าการกนโทษของเขาหน้านที่บาตตายไปกาย้มพิบานเอาล่อมอเล็กแดง เถือนปาดข้อปาดละเมอิมใช้ําห้หอนตาย้วเกิดตาย้วเกิดหเป็นผู้ใหญ่จะเกิดขืนมาโรดไ่ได้เกิดได้ขั้นพ่อเมียไม่ได้เกิดได้ฟ้องใครเกิดพุดธึืนือเข้านอนฝันไปเนี่ยเป็นตนเป็นตัวเป็นภู่เป็นพ่อมีโทษของการขาดสัตว์นี้เกิดบ้าเราไปไปตกบ่อระหกร้ายแสนปีออกจากบ่อระหกไปแล้วก็เป็นเพลิออกจากเพลิดบ้าแล้วก็เป็นสัตว์เป็นสัตว์ กรถึอจะเข้าขายทุกชาตทุกภพตายโหงออกจากนั้นมากกวมาเป็นมนุษย์แป็นมนุษย์กระถืกจะเข้าขายอยู่ซ้ำหนาอายุกรบโมยืนโทของอัาชีพหน้าท่านตายไปตกมรรหกอีกร้ายแสนปีออกจากมรรหกมาเป็นเพศออกจากเพศมากกว่เป็นสัตว์ติลสานออกจากสัตว์ติลสานมาก็มาเกิดเป็นมนุษย์ มีอยงเขากระบอกเขาหลเขาลกัเาลากเอาวัดลักไทยรักถอนลักจีลักกนขบดวดเลียงล่าเวียงไทยโทดท้องกานี่สวีทอาจาร ย, ย, ย์ลวงระเบิดหัวลวงระเบิดเมียเมียวงระเบิดผัวหรือลวงระเบิดบุคคลผู้อืน่น ตายไปโต๊ะบรหกจายมือพยบาลเอามีดเล็กดแดงเฉือนองคชาตเฉือนองโยนี่เชื้อนนต้นน้ำต่อห้อนปานนงตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดน่หนห้องโอ้เสียง โลกมรรคหกอยู่ไม่ได้ยินเสียงไพเราะสนอสดมีแต่เสียงห้องเสียงข้างบ่มีกลังเว้นกัางคืนโลกมรรคหกมีแต่เสียงมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอยมแล้วยอมแล้วอยู่บ่มีกลังเว้นกลางคืนยาเ็อแท่ง แ, แล้วจายมพิบานเถิดทีเช็ดทีลาบดอกอยู่ในมนุษย์โลกทีสร้างบุญหน่ว่าสันทเช็สิีลาบแล้วขอให้ไปสะก้อนอนด้วยสัน มั น, ม น, น, น, น, น, นว่าเป็นัยนสั้นหรอกพี่น้องเอ้ยสั้นข่อยก็เ่็อย่างมาเป็ยนจาย้มพิบานสั้นกะกำห้องข่อยมีข่อยกะเนี่ยมาเป็นมาคุ้มเจ้าพี่น้องมันห่อนสิตายกว่าที่อยากมากให้หนังสั้ น, นกำห้องมุขข่อยข่อยว่าจะขาดทรัพยรักท ร, รัพย์เอาพื้นพิษน่ากลามหอกเห็นผู้อื่นเหตุทางพิกคิด พ, พิกใจขึ้นยินด่ดีนั่มเด้งสัน้นกำอันนั่นใังกงใมากคุ้มเจ้าพี่น้องวตาคนตางไม่กำแล้วพี่น้องเอ้ยสัน้น ใครก็บ่กอยาก่างไร้มาเปลี่ยนดอกไหมท่นสูเอาของ้างไฟข้างมานเนี่ยอันมอระหกเนี่ยเจ้าย่อมที่บานบ๊ลือ้อผูดได้กับใบแดงคือที่ผลของก่ำของมูฮั่นมันเกิดขึ้นเป็นของเก็บเองไหมท่านเราว่าง น, น, านกาเมศร์วิชยัยจารตายออกออกเลือดออกจากหันร้ายแสนเปรก็ไปเป็นเพลออกจากเป็นเพลศกันไปซัดเป็นซัดตีรักษาน เป็นสักกีรษานครับตายยอดกล้ามล้มคือกันเป็นมั่วเป็นมากแรงหยาดกลามล้มมันเยบกันตายกับปานนะารับตายยอดอันนั้นนะัออกจากหันมากะขมาออกจากหันออกจากหันหลายแสนปีคือได้บอกง่ายที่คือได้คนาดบอกว่าจะออกพันไปคือยังมูเข้ามายามกันเนี้ยน พานา่าอำเภอเรื่องอะไรก็พานมาอย่างนี้นที่พานี่มันเป็นทันที่นีนี้หลายปีหลายเดือนจะได้เยูนะะ่หนะเกิดบ้าเป็นคนนั่นเนี่ยเป็นคนกระเทยบ้างขันว่าเป็นคนกระเทยก็มีลูกมีเต่าขึ้นมามีหลายเมล็ดก็าขึ้นมาขเขาก็เอาไปทำอันบบดีนว่าลายวัดกระสันไปทำสำเราเอาเนื้อวัดกระสัน ปล่อยข่มขืนกับพ่นั่นผู้ละคนเชียด์เราผัวกูมันสามารถไปเรียนสาวตั้งตั้งแต่กอนตัวไปเรียนผัวเขาออืแม่มกูมันสามารถไปเป็นแล้วไปเรียนบ้ากับแต๊ะกอนตัวไปเรียนเม่ เ, มเขาคือว่ายัางไหนสันอะไาวะสันวะโทษซูล่าไปบ ง, ง่ายเองคือกั น, น่ะโทษนี่จ้า ตายไปกระตุกมาะหกท่นโสดโุล you know, ่านี่จายมีพยาบาลเอาน้ำเลี้ยงแดงไปกอกปากห้องโอ้ยโอ้ยโว้ามีกังเคื่หนึ่งเครื่องเสียงมาะหกว่าได้ยินเสียงหัวว่าได้ยินเสียงไพ่ละสนโสดนี่จะเสียงห้องเสียงข้างว่ามีกังเว้นกังเคื่องนั้นอย่ไต้ดินลูกไปผุดพวกเขาตีกูดผุดอัขระขังไต้ลูไปไว้จักแสอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรว่า ผลของกรรมเนี่เป็นของผลของกรรมของทัพย์มันเป็นเองที่นี่การเศษกรรมอันนั้นเองมาเกิดมาเป็นมนุษย์เผีบาบัายเสียเกลียเผีมนุษย์เป็นคนบ่พ่อพวกเป็นบ้าเกิดมาเป็นบ้าในเมื่อมนุษย์คือเศษกรรมของขอ ง, ของ ของเดิมโุน่าฮะล่ะนั่าา น, นีว่าทาง้งีวาทั้งตัวนี่ว่าทั้งดีฮนี่สวรรค์มันพูดได้แปแแ้งไว้กรรมของสัตร์กุศลกรรมของสัตว์ที่สร้างไว้ในมนุษย์โลกมันจะเกิดขึ้นไดนุ้ลผลแล้วนั่นธรรมานุมาเนี่ยพระโมคข้ลล่าขึ้นไปเมื่องสวรรค์ไปเห็น เห็นวิมานกวงขวงนายนี่มันวิมานผู้ใดวะท่นวิมานของนั่นธรมมนอบวะั่านจาของเขาไปใสเนี่ย่าจของเขาทำบุญอยู่ในมนุษย์โลกเขาเห็ุกุตติเวหารอยู่วะท่นน้ำมันน้วทนเล้ววะ่นเขาเขากะวะทัานตายวะท่นโอ้คนมนุษย์โลกวท่านตายกะเป็นของทิพยบเกิดไปพี่ระบอกะ่น เป็นไว้เป็นไว้แล้วเนี่ยว่าท่นเขามันคนลาโลกเลยว่าท่นเพมันวันคือโลกมนุษย์ว่าท่นวันเวลากับวัคือกรระวันเวลากัหลายก็มนุษย์โลกลงมาล้มเเนี่ยลงมาเนีมนุษย์โลกเกข้าเขาโมกคัลลาโอ้ยโอกาสพระ อ, องค์เก่าเขน่อยขึ้นไปเมืองสวรรค์ว่าท่น แล้วไปถามเทพวุเทวดาเบื่งว่านี่มันวิมานท้องไ้ายิมานของนั่นทม า, นนามานพนันพมานอยู่ในมนุษย์โลกถึงมาท่านตายว่าขึานเนมากเรเป็นวิมานปราวางด้วยท่านถังมาท่านแล้วแล้วว่าั่นถงหน้ามันเยเกินว่าท่นูในร้านโงด์ว่าท่นเรื่อมผับผับผับผับด้วยว่าท่านเรววนาค้นเห่าว่าท่านตาย ในถ้าบุญกุศลสินท้านะ่มนุษย์โลกนะมันเกิดเป็นของทิพไว้ถ้าเมื่องสวรรค์มันไม่ดีบอกขึ้ขอหน่อยก็จังมาโตกลับไปถามเทวดารู้ว่าเดี๋ยวนี้เนื้อโตสีวิติี๊ดเะเลมาถามเขาจังไหนพะน่ะถามเพื่อเป็นพญานขอหน่อยหรอกคนว่าไอ้คนฟังคนมันบอดเสือมา่นี่เอาพระองค์เก่าเป็นพญานมาท่านเฮาเห็นดีเมื่อเกิดเมื่องสวรรค์วายาเนี่เฮาเ็ตัวมันกลไปเกิดเป็นหน้าโกวาาเาเน่ หรือว่าอย่างไรสันะ่ะนั่งมีทั้งสัน่นทั้งเสื้อบุญเสื้อบาเอา้าคนเกิดมานนี่เอา้าขาสองแขนสองหัวหนึ่งคือกันเอามันคือกันว่าสั่นเนี่เอ๋เอออขาสองแขนหนึ่งเ ข, ขาคือกันว่าสั่นมันก็เป็นน้ำมูกพกรรมที่กุศลบุญที่สากมา่านที่มัมีหนามมีดังมีปากคือกันแห่งห บ, งบงง่คือกันเนี่และเบิ้งโลกเนเบืองนี้ใจเคากันคือกันนั่งตั้งร่างคนกันว่ได้คือกันเด้ เอาลูกแฟดแตยังมีคนลูกแฝดเกิดมากขึ้นกันแต่ยังมีผู้น้อยผู้ใหญ่ยังไม่นบ่นั่นเพราะเห็นได้กับเพราะผนของกรรมที่สร้างมาผู้ใหญเกิดมาเป็นคนขาวผู้นั้นสอบท่านเจ้าของขาวๆผนวางขันผู้ใหญเกิดมาเป็นคนดําผู้นั้นชอบท่านเจ้าของดำๆมาทันผู้ใหญ ได้ผัวเถ่าผู้นั้นท่านดอกไมเ้เฮียวั่านนะพระพุติเจ้าท่านดอกไมเ้เฮียวกับท่า น, นเนี่ยมันคือเชือ้อได้ของท่านผู้ไดใดเมียเถ่าคงก็กมีคนดไมยอันเดียวกันท่านของแล้วเชื้อได้ของและท่านดอกไมเ้เฮียวเหมนว่านั่งอมิตรตานี่ยได้ผ้ามเป็นผัวนั่ยเพราะเห็นได เพราะแต่ท่านดอกไม้เหี้ยวท่านนะอมิตตานี่ั่านได้ตำนานา่พระเอสท่านร้อนนั่นขั้นขาดท่านเกิดธาตุนานเป็นคนจนหาสมภพมี่กับบ่มีขันขาดศีลเกิดธาตุนาเนี่ยเป็นคนอายุสัน้น ขันขาดภ้าวนาะเกิดศาสนานเขาตัวว่าอันได้ดีก็ไปแล่นไปน้ำเขาหมดเพราะบ่ได้พี่กน่าเหาืันเขาตัวไปหักดอกไม้หัวาดของจิ๋ม้าก็ไปน้ำเขาเพิเขากำ่ำเก้งบงแม่ฝนอนยางมีเหตุมีผลมดตราดาา้มาตราดนาตราดนาพุทธเจ้าเนี่ยยู่มายูมาสงท์ทางไหน มาตีเตียนพระพุทธเจ้าสงฆ์พุทธชนว่าพระพุทธเจ้าน่ะให้พระโมคขล่าสาเรบุตรเป็นสาวกเบื้องใต้เบื้องขัววะท่านร่ำเอียงพระพุทธเจ้านี่วะท่านตนาเสียให้พระโกนทันยะว่าป๋าพัทธิยะมหานามะหรือว่าพระมหาคัตปะพุ่นเป็นสาวกเบื้องใต้เบื้องขัววะท่านเพราะว่าเอาพระโมกขล่าบวชรุ่นลุ่นนี่กับสาเรบุตรเป็นโมกเป็นเบื้องสาวกเบื้องใต้เบื้องขัวร่ำเอียงพระองค์เก้าวะท่นเฮ้ยวะเนี่ยร่ำเอียงหรอกวะท่าน หมกคร่าสาวในวันนี้ปาถนาเป็นสาวกเบืองใต้เบืองขวาเจ้าขงพระเจ้าอนุมทักสีผลมาพต่ผลมาฟาดพักกูสันทบไปอีกตะกับก้อนผนปาถนากับพระเจ้าอนุมาทักสีว่าอยากเป็นสาวกเบืองใต้เบืองขวของพระพุทธเจ้าถิ่มาในอนาคตพระราษไปเห็นสาวกเบืองขวกเบื้องใต้ก็ได้เรื่อมใสอยากปาถนาเป็นพระสาวกเบืองใต้ก็ได้ให้ท่านรักษาศินภาวนา ตามที่ที่กำลังนำพระพุทธเจ้าองค์นั้นในวันนั้น ทัศภคะวตรตสัมมาสัมพุทธัสสะนมูทัศภคะวตุราหตสัมมาสัมพุทธัสสะนามูภคะวตุรหตสัมมาสัมพุทธัสสะ สร้างขังสราังรัชามิสร้างขังสรานังรัชามิดุติยมีบทธรรสรานังรัชามิดติยมีธรรมสราังรัชามิดติยมีสร้างขังสราังรัชามิ ตดยิมงสารกจามิตพสสารกิที่ยมพิสังขังสารนังจามิสรกมนิสตปิปาเวระมิาพเจ้ามานิยามิ นันนาเวระมณ been, so so ีสีฆาปลังสัมาทิยามิผู้รักษาเส้นห้ากามีสุเมชาจาราวีระมณีสีฆาปลังสัมมาทิยามิผู้รักษาเส้นแปดอะปรัมมัจจิยาเวระมณีสี่าปลังสัมาทิยามิ โมชาวาดาเวระมณีชิกขาปะรังสมาธยามิโมาวาดาเวระมณีสิขาปะรังสมาธยามิสุรามะยะมัชฌะปรมารถานาเวระมณีสขาปะรังสมาธียามิสุรามีระยามัะมารถานาเวระมณีสิกขาปะรังสมาธียามิภูรักษิณา อิมาเนเป็นจ้าศีข้าะยาเนี่ยเชื่อนสุขติยั น, น, นติเชเ่อใโภูกาัสำเพราเชืลอในนิพพุติยันติตัสมาศีลังวิโสทัยผู้รับสินแ ต, ต่อไปวิกรับโภชนาเวรมเนสีข้าพรังสมาริยามีวิกรับโภชนะเวรัมณีศีขา้าพการตมาริยามีนัจกจักทวารีท้าวโยชุกัดสัดสนนัมารากันทากิเปรปันะ คา uh um 네 ร, ระเระน็มันดะนาวิบูสะนาภาลาเวตามีชิกาปรดังสมาธิานิขจารสยานะมะหะสยานาเวนามีชิกาปรดังสมาธิานิขจารสยานะ นิมังกังอัลลาวน์นิังนักตั้งตังตะวันนักั้งตั้ง w ป็นยังโพสตังจิมันจะละทิ้งจมัจะสัมเทวิรัคิดตรงธมยามมาทานเอาซึ่งโมโ ที่พระพุทธเจ้าทรงจาดไวมีองคแปดะการเพื่อจะรักษาให้ดีมีให้ปาดมีให้ํำลายที่วันหนึ่งกับเครืนหนึ่งนักปีาวันนี้ขอผู้สนสดนี้จงเป็นปัเจิดใจพ ร, ระนิสัยแก่พระนิพพ า, านในอนาคตการเบื้องหน้าบูเนิมานี่มอาจารย์ศรีข้าพเจ้าเี่อาจารกังนเจวัง อโภสัาชีรวชเตุเหหิาถูกกลางกลางกันกลางกัตวะอัปมาเดนะเลคิตัปบาที่เลนะสกัดเจงันติทีเลนะโกสัมปะดาทีเลนะเนเจันตีสัตสัมมาทีลังโิโตทะยีวันนี้พวกเรามาทำบุญมีธานวัดมีสีวัด มีภาวนาวัดพระฤาษีถึงผลพระพุทธธรรมประสงค์มีจารวัดมีสีรวัดเหล่านี้เป็นต้นที่สวนที่เราทําบุญแล้วเราจะใส่ชื่อเรือนามว่าบุญอะไรก็เป็นเรื่องของเราจะใส่ชื่อเรือนามว่าบุญอะไรก็ตามถ้าทกกําแล้วพอคือบนใจนั่นเองก็ไปอยู่ที่ใจจะใส่ชื่อเรือนามบุญอะไรอะไรก็ แ, แล้วแต่เราชอบ เรียว่าทาบุญต่ออายุของบุญผู้ใดทาบุญก็ต่ออายุของบุญอยู่ที่ใจท่านผู้ใดทาบาปก็ต่ออายุของบาปอยู่ที่ใจนั่นเองแล้วก็ใส่ชื่อือนามาบุญอะไรอะไรไม่เป็นปัญหาเราทําเราทําลงที่ใจเราก็ไปต่ออายุบุญอยู่ที่ใจแล้วทําลงที่ใจก็ไปต่อบาปลงที่ใจถ้าเราทําบาปทาบุญฉลองใจทําบาปฉลองใจมันก็ฉลองอยู่ที่ใจนี่เอง เราฉลองกุฏีวิหารหรือฉลองอันอื่นสิ่งอื่นๆก็ไม่รับก็ใจเป็นผู้ได้รับทำบุญบ้านบ้านก็ไม่รับทำบุญเทวัดวัดก็ไม่รับก้อนหิงก้อนห า, าหัวใจพวกเราเนี่ยรับทำบาปอยู่ที่ไหนประมาณกันทำบุญก็ทำให้ตนทำบาปก็ทำให้ตนอัตถิอัตโนวาโถตนเป็นใจพึ่งของตนก็คือใจเป็นใจพึ่งของใจ นอกจากใจก็ไม่มีอันไดจะทำใจถ้าเป็นที่พึ่งนอกจากใจก็ไม่มีอันไดจะเบียดเบียนใจตาหูจมูกเลื่อนไม่มาจะเบียดเบียนใจและแม่รับมาอนุโมทนาด้วยและแม่มาค้าข้ามด้วยตาหูจมูกเลื่อนกายใจคนเดียวใจลูปอันเดียวมีอิสระจะันดีข้าใจเป็นผู้ทำจะทำเชื่อข้าใจเป็นผู้ทำไม่มีใครมาแย่งทำและก็ไม่มีใครมาแย่งรับเอาผลด้วยนั่น ยะถ า, าวานิวาฮา ป, ป, ปุราปิเรปุเรนตีสะสารเ ม, เเมยวยเมโตจินังเปตานังอุปคปติวิจิตังปจิตังตุมหางเกปะเมวัสมิสตูะเปปูเรนตู ส, สังสัปปาจั น, ทนโาทปนารโสยะถามานิโส ต, ตีโสยะถาสัพพิจโยวัจจันตะสัปปสุขูสัพพโยสัพโลโวเวนัสะัตมาเตภวัตตวันทรายโยตุสีสีตายุโกเพราะว่าอภิวาชนะสี นิสานิจ so, ังว no e ุฒาปจายโนยัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังผรังโสอัตตะพอรสุเกตโตรุนหพุธสาเสนโรโคสีโตโหิสาสะเพยยาตีวิสาอัจฉริาสุเกตตาดุหาพุทธสาเสนโรคาสิกตาโหหิสาสเพยยาตีวิเตอัจริาสุตาดุรณาพุทธสาเสนโรคาสกตาโหทัสาตะเพยยาตีพิ วัตุศพมังคลังละันสาเทวตาทุตาานุภาเวนะทศาสวดปีวันจุเตวัตุัพมังคลังละกันทุสตเทวตาทุาธรมานุภาเวนะทศาสวดศะวันจุเตวัตศพมังครังละกันทุตตาปเทวตาสุตตาท่านทานุภาเวนะะศาสถดศีวันจุเตอยู่ทุกเวลาเวลประมาณนั่นเถิดเบทานังประงังทุาให้เขียนสพัะนิา ให้พร่อยาคยาคองนั่ือามาอร น, นักงื อ, อาาั่อือเอกสารอสารสำคัญเอสารที่เขาเอียดเข้ามองราคาให้คนมานีมนไปตรวจโรคเรารักาษาสัตว์ของเราถ้าเราไม่ าก็ตัและไม่ผาวันิวาาปุราะะาเอวเมวิโตทินังเปตาังอุปการปฏิอิจิตังปิจังตุมหังเเมวสเจะทุสเพปูเรนตุสังกปจันโทพนะรโสยัตถามณีโสเตรโสยถาเตโย ตุมาเต สิทธิ์ทานาลาภสดเทพายังสุขังภาระทิริอายุจวันุจัพุคัวุติทจยาสาวาสตาวัตสจใจอายุใจทิสิทธิ์ทภาวันตุเตภาวัตุศัก สัมมาคารันตุสัพระเทวะตาสัพตาลุภะเะตาตาทิพวันตุเตภะอาตุสัพสัมมคารามคันตุสัพระเทวะตาสัพ ภาวนาสะพพะติภาวันตุเตภาวันตุสัพสังขารังคันตุสัพปเิวัตสัพสังขานุ หน้าโม้ไหลพูดไม่ชัดเอออาหารการกินภาคตันเบ่งกั น, นเนอพวกหลวกหลานกรุงเทพก็บนี่เบื้องเขาเจ้าเขายังให้เขาเจ้าน้าแน่พวกหลวกหลานกรุงเทพกับมาหลายอยู่เอพวกภาคอีสานเขากินเขาเหนียวมันก็กินได้เขาเจ้ามันก็กินเป็นพวกกรุงเทพเนี่ยมันเขาเหนียวมันกินพ่กเป็นได้ขนาะดเบิ้งเขาเจ้าน่า ว่าเนยราเื้อเหมือกราเทาไห่่ได้ยูเฮ้ยเร่อ่งทำไรบอกเขาให้เขาไปล้วเกลียดเชื่ทคนนะตอการบป่อนบากานี่ยจอกเขาถึงว่าใเอาตอนาี้องการซ้อไ่ได้หอกือือรอถแค่ซ้ำนี่อน ัมตสันพาอะยมนไกยไม่ด้ไกนี่ตไมเบบนะวนลกานเป็นะลูกกาก้ามันเ็่าหมดขามยยค่ะ่ัาบบอลบมันยังาทนมนสดาวัน้ ทิ้นหาบ้เสียดายอยากกวนหมดทิ้นหาจัดเม็ดปุกนค่ก็เสียดายอกว่าดคิดห่เสียดายอยากเรีนอาบะยมุขนาดคิกหบึ่เสียดายอยากขอดเว่นขอดไพ่กับพวกอะไรโอดูหังวอกขอดเว่นขอดไพ่กับใคพระดาบันวอกขอดเว่นขอไพ่กับใครเคยเดยวทพิดเขามาแต่ศาสกรจะให้แล้วไปเชอรผู้ขาดเขียดยูหังวอกขอดเว่นขอไพ่นพุ่มพระโสดาบันล้น่ กูว่าอะรมันเรียมนั่นกูเสียวามันเรียมนี่กูว่ามันเรียมนีกูเสียวามันเรียมนั่นน่ะนั่นมเมนพระสวัสดวันข้ามศน์เนีพระพุทธศาสนามันเป็นโรคกูตะละค้ามอนมันมันมมนโเมโรคกีที่มันเป็นโรคกีแล้วกับพาะเอาศาสนาอื่นมาคนเปซื้อนี่พ่ออีแม่เก๋อเรื่องมัดอย่างเบอร์เรื่องโบกเรื่องเบี้ยน่มันบมี่ใน้านพระพุทธเจ้ามันบมี่ในาพี่ใด พ่นว่ามันเป็นมนุษย์ปฏิบัติเอาซะตรงๆอย่างเราไม่สารพัดทอดเรียกอับายอย่งพวกจีนปฏิบัติเครื่องเล่มันเป็นพูกของภาสวดาวันบัตต์นั่นเขาบอกคอยพุทา น, นี้ว่ได้ยินงนี่พุทธนะครับเอกทาได้นเดี่ยเ อ, เอกตาเดียวมาเล็ยนตั้งแต่อันท่าแต่ลูกหลานเรีนเล่ม น, นั้นแล้วนีจบประกอบเสือพลาชัยเศร้าอะไรตัวเดียวนี่ มัดพ่าดเศร้าเลยเล๊ะบัดตายบ่เมีกาฟหายพระผู้ดใดคำคผู้ใดบ่อยากเมีกฟาฟ้ายพระบัดตายเลยไปเร่เล่รู้หรืผู้ใดเร่เล่รู้บัตายบ่กาแฟหาพระหรอกบรับานเก็บกินับคร้าบานนิดน่อยนค แล้วน่อไปฮะพอสมมติว่าไม่ถนัดี่พี่รู้ว่ามันไม่ได้โตลแล้วไม่ถ<ะ>นัดพี่จะแล้วหน้าทําเหมือนนั่งยืนซื้อกล้องรัซื้อซื้อก้องอัตวาทุ ป, ปาทานมันคิทําลายอเวซ่าเนี่ยทำลายอเวซ่าซีน่ะมันก็ททำลายอเวซ่า ม, มันก็ทำลาย้างามันก็ทาลายวิญญาณนาหลวอายตนาภัสสะไฝ่ด้ตัวเดแต่ว่าทวาสินอของสาคัญเนะถ้าแก้วของพุทธศาสนาเห็นใช่ไหมังข้าอย่าน้นทั้งทีหนึ่งจึงําระแสง ส, สินกพระสินเป็นหาแก้วของพุทธศาสนาสินหาเป็นห้าแก้วของพระดาบัน ฉันว่าเป็นหาแก้วคำว่าสวดอาบันแล้วก็เป็นห่างแก้วคำว่าจักาข้ามิอนาขามี่อันหันไปแน่ตัวมำวดาสวดอาบันฉันสวดอาบันแล้วน่ทั้งวากับเบวะทั้งซ้ายกับเบาะข้างหลังกับกถอยมิจะไปนาเรื่อยนี่มิจะเดินนาเรื่อยเดินซาเรื่อนเรวกับพวก้าเกิดอีกเจ็บซ่าคำสู้พรนิพพาน ผู้คณะกลางกเกิดอีกสัตว์เดียวเขาสู้พระนิพพานแม่ของพระพุทธเจ้าเป็นพระตัวตะวันเกิดอีสัตว์เดียวที่ได้ไปเป็นแม่พระศรีอารีย์ตายอีกสะวันพลุก้อนวับพระอริศีอริยเมียตายอลูมาเกิดแล้วไอ้ท่านลูกมาซอยศานฐานพพุทธท่านก็ลูมาเกิดแล้วก็ไปตัวกินเขาหลงเขาทีท่านมาเกิดตายยังไงถ้าบริสัทธ์บริวาร ไปวายาตเจี๊ยวจุรลมานี่วันระเกียแขนนกดผลสัเมอเนี่ยภาษีอเมริตันเนี่ยว่าท่านนน่ลกมาอย่างม่นิ้ธพัดพอดสามเดือนเนี่ยมนุษย์โลกเขาอย่างอันท่านโลชิตนี่จักรพ่อองค์เจ้าเขาทูมันพาดไปนี่หรือว่าของนไปเที่ยวสวยจริงๆน้องเขามนี่ภาษีอเมริกนองค์นั้นเกิดเจ้าบ้ันบวกลบผู้จ่าเป็นผู้บัญญัติเขาหือผมนัก็เกิดจ้าผุ ผมเพื่อนอาแก่ผมยุ่ทั่วที่อโหรพัชย์ยมิตต่โอ้ยพัชย์ยมิตรกันหลอกกินขนมเขาศาสนาฮว่าที่สัน้นลงมาอย่างเมื่อที่สั้นพ่อสามเดือนในมุ่งในประเทศในมนุษยโลกอย่งเสนเ้หาพัชย์เมตรไตส่สมามันตั้งรันานปีแล้วมนุษย์ผุนสา้างบอกเดีมนุษย์เขาจะใกล้เลยโดยการเพราทีท่รลกมากเกิดอยงนี้มากอยาศาสนาพุทธัน กษศาสนาพุทธก็เป็นข้ามซ อ, อนเดียวกันมาซอยพิบ่าจังหนิ้างวัตถุเทพระที่เนี้ยเมยใก็ทเอาใส่มาบอกก็ทมาบอกถิ่นหาทิศแพร์ขสัตว์ศาสนาพุทธตพระพุทธเจ้าทุกุพระองค์คนเดียบช้างว่างพ่อราบ่คัดแยงกันบอกว่าได้ไปแยงเด้อันเดียวกันวัดว่คือผู้แทนเด้ย่าอเ้าโลกพิบ่านเนี้ยนเาโลกพิบ้านนี้แต่งแต่คนหมายยูไ่ไ่ได้ก็คือพระพุทธศาสนาไ่ได้แต่งเด้ อันเดียวกันลงม่าล้เอ่ยกันว่าเพราะเป็นธรรมาติเปไตเนี่ย่เป็นอัตตาธทปไตยวันเอะว่าคอยว่าคอยว่าอย่างงี้กูหนวกไม่หรอยยงพระราษฎับข้าหาว่ามะฮาสนะมมอนเอาบุญญลขตของภีรยเมตไตเนี่ยเป็นเด็กบุญญาลิขิตโลกมนุษย์บ่เหลีพนที่มาเหี้ยงก็จังไม่ได้ละทีของยวเล่นะครับเขา กาบวิ่งวอนหายูนะโอ้ยมีพ่อีแม่กูเอ้ยมีพ่ออีมีพ่อีแม่กูเอ้ยไป่ังเขาแล้วก่าวแค่าวาพวัดคว้าคว้ากรรมารกับพวกวาดจางรต่องนี่ ของผู้นี้ว่จะเปแพ่ต้องขาวต้องเขียวไส่ีว่า่หนวาเมื่อาชการชั้นงานเกินในวันน้ว่าเพื่อแพร่เพื่อขอเนี่ยเขาเห็นแก่หนาสาตืพระพุธเจ้ามาองเขาให้ตายเลยน่มุตัวถือว่าขี่หึงพระวัดกับพระพุทธศาสนาอย่างตนายอย่างว่าละวัดพระพุทธเจ้าพระทมาเจ้าพระยาองเจ้าุตตเอาว่ามตโตว่าคึ้สํ่แค่ว่าเอ้างทถามวาตัวยาฆ่าหร้อว่าขงพุทธกาลเป็นพระคาะเจียนค่เนียว่า พัฒนาท่งวัดสุริยงุขโถงคติเนี่ยนะเออท่านวัดสุริยมับพัฒนาวัดไผ่ีุตรทอเพื่อน่าหน้าวิสาขาสางวัดห น, น้าขาวินิจกเศษผีเน่ยหน้าวิสาขาสาวัดห น, น, น้าขาวินิจกเศษผีสางชิดตะวตทกเขียมเนือของเมืองนครสาบัติไปจากเมืองนครสาวัตออวิไปอร่อยขาทะนุ ขาทะลหนึ่งสี่สองน่ารักขาทะลูปทีที่มาเสียนไกลวัดไกลบ้านีที่มาโกดกระเป๋าเดียวมันจะแช่ไปเลยนะซีที่าโกดกระเป๋าเดียวมันจะแช่ไหเลยม่นะมีสองเขียวส้งขาวเหล่านั่นซีที่มาโกดโกดหนึงมันมีร้านหนึ่งมันมีทิโกดเอาทิปมาพูดที่มาทิปมาทิปทิปทิปทิปทิปทิทิปทิปทิป ชี้เลยหาชิปร้านแน่นบออันนี้แบบในโลกนี่ชี้เลยหาชิปร้านกัเขาเดียวผููอะไรทางแค่เคลียร์แตหนาวมีบสบริพอหรอิงดอวย่ออีกบอสนั่นเขาน้าไม่ขากระตากข้างบานผู้ เ, าขาขาาดดเดียวยี่ชิกโกโก้นก็ปวดเขาเดียวล่ะบุ๊คผาล่าบุ๊คผา่าเปา็นลาอกไม้เขาน้นาไม่ใชขาเทีวตะวันมหาวิหารก็คือปลา แต่ก่อนวัดปลาได้เกิดขึ้นมีโค้ดท่าเร่าต่ไม่วัดปลาปลาใบนี้โคดปล า, าใบนี้โคดก็คือปลาใบ้ให้เ่านี่ยอัจฉริยะใบนี้โค้ดไป็นพิรุษอัจารินะในี้โคดเป็นพิยุของคนยัแพรก็คือเขอออาให้เข้าใจว่าเข้าใจว่อเออนั่นนะ่ะขนมาวัดปาด ล, า, ล, ลววดปาเกิดขึ้นที่หลังนะแล้วัดปลาเกิดขึ้นก่นอนนะวะเอา กูด่าข้านปลามหาวันกวาดปลาเอาเรี๋ววันนีเออเม่วันสวนไปไฟของพระเจ้าวิพิธฐานถวายกวัดปลาเอาได้เกิดก้อนเออเกิดก้อนูรณะเอาแล้วครับรักเขียวันสวนตาโนเหนกัของพระเจ้าพิพิธฐานเอานั่นอปาปารีนั่งปลาใัม่ของงวงเขาหน้งมันลิกาเนี่ยพระเจ้ามาเสียนกวัดปลาทั้งนั้นน่ะวาดบ้ามันเกิดเกิดที่หลัง เมื่อว่ามันมงึ้นมากก็เลยเรียกว่าวัดว่านนะ ต, ตัวกบินละพัดกวาดปลาเอ้ากุด่าค้านปลาวัาวันกวัดปลาเอา้อ า, า, า, า, อาข้าะเจ้าเอา้ญญ า, ญญาวันนั้คิดาวบดกับวันนั้จุฟาวิปัสสิทิ์เดี๋ยวันนี้จะพูดเขาคิดจะกูเอา้านั่น ตัดปลาออกแล้วพระพุทธศาสนาเขาบอกเราพระไตรปิฎกจะตรีออยงเรียงเรียง ม, มีปลาอยู่ทั้งนั้นนั่คนนึงผู้ว่าอาจารย์องค์นึงมหาเจ็ดประโยชน์มหาเจ็ดประโยชกับมหาผาห้องนี้นะครับทำมุขนี่นีมนน่มุ่นนี่มุ่นไปไปไปพัทสุม ก็ตุ้มกตายแล้วเน่ยง่าจะก็ตุ้มพักแล้วหาแต่อ้องาแต่า้ออักเก่งแค่ไหนหลอกหอกอกให้เาตอบ่าห้าโงอห้าปากแต่คนเป็นจริงคนองรองเข้าไปเลยหอกคนเขาใจข้อที่ตอบไปยังไงเขาเปิดวงทันหอกคนบอกากที่ตลาดด้คนวัดปาเนี่ยห้ อ, หองสยุกมันสะดอก มันก็กองหนัขนาดนี้ตัวตัวเลี้ยงต้นลูกกูของแก้วลกู้แก้วยางนีมติงลูกมีตะเพาพูใหญ่กว่าตัวได้เล้วงลูคกูแก้วตัวอลูกกู้แก้วเขี่ยออกมาวัดฝาวเจ้าวัสวนแล้วก็มีนาทีเขาเขนอยเราไว่หนัมีนาทีเาเข้า่าอาจารย์ทุกคนนะแต่คนยังเรเห็นมาอยางไรกเขี่ยออมาตบวไมเลยว่าต้นไม้คิดี้เหรร้ายต้นไ้าต่อกมา ว่าเระเดี๋ยวกคุณค right ือว right ่าหายยุปายังหายยุบหายไัมทัดปาออกแล้วรถ้าใส่พีรบกครกบหายว่ายูอหายยูมาจากหายมาเศ่ามาจากเศ่าที่ไปเศร้ากับไครสักหน่อยว่า อายุแค่สามวันนะครับว่าอายุไปอยู่มันกบฟองหนาักปักกรรมฐานกบองหนาคนเราอกนะฮาตอบกนรอกถาันตอบแล้วยกมือฟ้องคันว่าห้ยุปลาจะไปอยุไหขน่อยเลยเคยเปียหายมากขอโอกาสเลยเปียหายขอได้ไหมเปีหเต้ายโยท่นนะคันวันนี้มันเป็นตะยูขานักี้หรือายูเรกขนอยไหั่คันวันนีมันก็จะเป็นตะยูยูความันตายเรกขน่อยว่า เขาคุจ้าหามว่าหายุา่าย้ากรหันเปนก็เพียวว่าหามวหายจำพภษานี่ก็ท้องผีในกดแ่่าเนตุมาังหมดวันมงเงี้ยวว่าห้จำพรษาเพาดมีเพอไได้ขน่อยว่าอาคาั้งหมดแล้วหายบวชนนัน ผู้ใดบวชับว่าเนบวชกรรมฐานบวชปริยตุคุณนะฮะตัว่าโอ้การอะไระถูกนกนุยุสีเี่เขียงแบบแบบแบบเข้าร็กันครับนก็ให้บวชกรรมฐานคืบวชที่ไหนคนเกสาโลมาน้ขาดันตาตักโจบวชกรรมฐานว่ะมหาเน้กายกับบวชกรรมฐานนี่่ะชวนที่ปัาั้เอาหรือ่บวปัจเจ้ั้เอากันกับเรียองของุคว่ะ เกษาผมลงมาขนนักขาแล็บดำตาฟันตะโจหนังสี่ห้าข้อในพอแล้วเพราะเวลาไม่พอจึงไปศึกษาอีกวเวลาบวชมันไม่พอมันมีเวลานไม่กับบวชกรรมหานในเกษาลงมานักขาทศะะตะโจท่านสิยุบกรรมฐานสิยุบจะไหนขอหน่อยว่าทนะ่นว่าสิยุบได้ไวรึเปล่ะก็บอกว่าได้อนี่แล้วว่าท่าน ไมาเก็บบรรยากาศกยากาก็กรากไม่กิดเจบานไมเกไม่ตกรรมฐานวัดระดับทวารกนไโกธาตุเลยม่จะกรรมฐานวัดะดัลูกขันหน้าขันกันเมื่ไหกรรมฐานวะลูกเกิดขึ้นน้าใครวสลายไม่จกรรมฐานวัดระดบโลกธาตุไะขนุกกรรมฐานเจ็บปวดยังไงสงสอยวะโทว่าทีลเรมเอาไมเองให้มันไปแท้กะตับกเจกอยูเนฟรามันให้โจรให้พลายไปยู ข้ามเมร็ดไปยุ่งมาั่างกัเไอมันเดือดร้อนพัเมื่อโอ้ยพเดีขทุบ ก, กันเลยนั่นกระชิดกระทําแห่นั้นกระดัเฉียงหน้าเขาเลยเป็น ป, ปัดมาของเขาบ้างแม่ไหมแลก็ถือตำปาเขาว่าไฉนเราว่าสิน <laughs> <ส>ี่อันเขาน้อยก็เขาใจว่าปลูกข้าเมล็ดเกลโดนวกล็ดกุไล่ มันอยู่ในปลาเพื่อน้มันอยงกรุงเทพเพี้ยงไรมันอย่หัวใจมันันว่างจัดตัวาสิมันไ่ได้โยนปลาไดาเพื่อนได้อยหัวใจมันคร่อยวะหวารท่องสอบคือแบบหัยอะหลายร้ยสักสองร้อยหัวโยู่ด้หแล้วไปยนปลามันรวยสัตว์พระองค์แ่งพระอันพระนักเรียน่มันรวยไปยนปลาวะ มันชิลล์วย่าอย่างมาจัดเครื่องกระล่ยจะปักขีห็นน่ะแล้ววัดตำาพปตีจะนวดโตนเาดีว่ากระลยแล้วกระย ข, ข, ขายหออันขายหออันพักหวานกินมาจัขหอพักหวานย่าพักหวานแต่ย่างมันไมพักหวานก็บกระลยแต่ยู้วัดผิดว้า ม, มัานรุ่ยมาจันก็ใช่เกลสนสูงมาก้วก็มาทรงเพศทรงจังหันจักแค่จักแค่จัแค่หอมมา ก็ยุพุทธมันเแตก็ยังวาสนาเดียวกันนี่จะพัดกับปานั่นร่ะป้นั้มาถึงนีพัดกยังบีแข้งมเป็นี่จะพัด่ะไปเป็นขวาดเขาหาได้จินเขาว่าหายด้วจีนมันผู้ยุบป้ามันถือว่าตายยังวาสนาเดียวกันพระอันพระนักรักเกลดนะรงระตองนอพจะพุ้าย น, นั่นไอกพวกมันเลยยิ่มมัดเสน่หตัวอาจารย์ที่ชอบวกผู้ใหญ่ก็ตตโต่งโตแล้วเลปากออ ก, ก็อเจ้าก้อนกลวนโยมมันโตแล้วกนให่อนี้แล้วมนูให้กัซื้ออยู่เ พ, พ่นบว่าเปิดหมวพูตอบแตพ่อนโอ้ยพอกัรปากว่านเจ้าก้อนวนก้ อ, อ, กก อ, อกกกนโแแล้วฟาดกันแต่แล้วเฮ้ยเขาเล่าไา้ชือรอกาจยมันสิดตอบเพราะว่าจังไรอาจารยพามันติเกียดวันไหนบเลยอาจารย์พระา จัเกลือ่อเหราะอพเอพมันไปูมนจับเร่งย้ำล่อพงเิวศรเพื่อไปแท้พันพันล่อไม่ให้โกอันอาจหันในคือประตูไปเชื่อพันปัญญาพันเกงในปัญญาพนเหนีอตัอยู่ตัววันเชื้อปัญญาพันบ่พลอไ้หาโอ้ยในห้อตอบหองจึดอาจหัรตับาวพจริงจต่ของของอยางไรวางันนอกเ่ือด้อกว้นเชื่อพันงงกัห้องอเดีย คือว่นลอล่เข้าไปซื้อได้เลยตอเพี้ยงเพี้ยี้ยนโดนแล้วเมื่อคถามให้ตอพีปยั้งม่อจออกตอบว่าตอเทีแล้วบอกคนถามเ้าม่ก่อเกิดเนี้ยพระเจ้าเกิดยุปารัชหลวัธยุปานะครับบอกอายุสังขารกับยุป า, า, า, วปาแว่ววันสอนใไทยนิพพานอับนิพพาน ลปลานั่งห่างคิดแต่ว่นออกมองกูชินาลาเขทอดสะพานปลาไว้ให้ลูกหลานเท่านั้นนะเออพระไตรปิฎกจะเสียนจะเลียไม่ปลายวัะกระตะักปลาออกแล้วพระไตรปพพพพิฎกเขาบอกว่าศาสนาที่สุจำปัญหาในใจราตาป่าใช่ไหมถ้ากับปกเขินที่นี่ถ้ากับปเขินไม่ไวเนี่ย ถ้าอรัญญะวาสีอยู่ยังยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงที่ด้วยถ้าอรัญญะวาสีพินาศลงคามวาสีจะอยู่ได้หเราอเราก็เหมือนหมดมุ้ยสุดสิ้นตะปูลพุ้วาเแม่นี่ยไหนอ่ะ กร้องยวัดป่าบันเนี่ยวัดบ้านกับยุคบ้านลยต้อยไปนี่ย่าถือว่า้กระมันจิบช่างรถทางเรื่องเขาเห็นมากกรตั้งรถหมายไปเรื่องอะไหรอเดี๋ยวว่างเลจ้ะนะข้าปรอ่างไม่บัญญาติที่เร่อวัตถเจ้ามันอยากขึ้นไม่สอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญากาศไรแล้วสมาชิกในสิ่งขาบทตามที่พระองค์ทรงบัญญากาไรเราป่างแล้วเราไปที่หานี่ทาในแกอย่างทาให้เป็นที่ตั้งเน่ยความเสื่อม ในการควบมการเรนสายนี้เนี่ยเรื่องปัหานี้จทำมีเ็อย่างหนึ่งคุงานประชการบางนิดสองว่าประชุม้อความเพียงการประชุมรมือแลิกประชุมอามเียงกันเลิกและข้อสามคือการทากิจที่สงจะต้องทำสามไม่บรญยาดสิ่งที่พระเจ้าบรยาดขึ้นไม่สอนสิ่งที่พระองค์ทรงบรรดไว้แล้วสานารศึกษาย่ติขาบปารที่พระองค์ทรงบรรดไว้ข้อสี่พิจารณาอะไรเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานในสงเคารพนับถือพิจารณาเชื่อฟังกคตามขอข้าม ข้อห้าไม่รู้อานาจแกความอยากที่เกิดขึ้นข้อหกกินดีในเสนาธนาาเก็บตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนเพื่อสามเณรซึ่งเป็นผู้มีศีลที่ยังไม่มาสู่อาวาสขอให้มาที่มาอย่างนี้ขอให้อยู่เป็นศุขเป็นสุขทำเจ็ดอย่างนี้มีอยู่ในท่านผู้ใดท่านผู้นั้นไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญสายเดียนั่นพระพุทธเจ้าทูตสอนออกจากปากพระพุทธเจ้าบ่าผู้ใดถึงม่าแกมขึ้นเอาปัญหากระทั่งเจ็งอย่างเลยท่ามอเจ็ด ตรคปีไปาตะวัเงี้ยองจิาสีสน่านีก็คือเกินของงานทีเดวเพราะว่าพชูมิายมาจกผู้วิู่ชบหายผู้ชนะู้ชนะผูมานะผู้ชนะู้ะผู้ชุมผูู่มู้ชมชินว่ให้มากเลว่ฮะผู้ชุ่มินไหมวัวเลี้ยงหมูป่ากัไม่พันะอ๋อเรื่องบัลงฟองอุบสถมันมีอยู่ในคำพเจ้า แต่นี่วะเจ้าบองทางพรโอรส่างอเบอสดันเป็นปรสิตแล้ว่นก็สิพมันปรมักมูออยู่หันเขาป้เจจาแล้วบวลงอ่ารไม่บกลงนี่ลงอบอสดนึ่คนมาบด้สุทมาอยู่นี่คนบวลงนึ่งฮะบริสุทบกลงสุฟาราย พิษุู ina, กกล่าวครดขั้นธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็ดีถ้าพิษลู้ใดไปร่วกินก็ดีร่วมนานก็ดีต้องภายก็ดีจะทำางข้า ก, ก ร, รมก็เป็นออาไม่ทำไม่ว่าทางข้ากรรมไม่บัดนะพระพเจ้าแล้วก็ว่องวงอุปโภคสน้องกรรไ ม, มไม่มาได้ทาพระเจ้าชี้หน่อยนะพระองบ์สนใจอยู่ตลอดพขขระวิปแ แก่ตัวคนโชคชัยสิชยชัยย้าพยนตร์นี่ใครคอหลายๆนาพยนตร์สมาติเราทวัตุเหมือนกันวัตถุเดียวกันประเภทเดียวกันสมมติเราย้ำแสดงอาัแค่นี้ท่ททงนัี้จะดทั้บสมมติเราอยากทำสากลระเ็นสูนแสดงอาวัตเราเปเดียวัตเรเป็น แล้วใครก็ปิดสภาพคาบัรมาไปทํามสถานกรรมสมมติว่อุโบสถสถกรรมและกาอุโบสถวิลสถากรรมหรือเอาผ้ารากรรมกรรมทุกที่อย่าบริสุทธุทธิมาขับศุนยนั้นเมื่อไปดนบัดบอเพื่อแห่งส่ันสภาพคาบัดไว้่ยคนับผู้นึงเป็นอาัดวัตถุเดียวกันชอบปรับพร้อมกันเป็นอาบัดทุกวัพรับ เ, เราเพ่อนายแสดงอาวัตรทกคไว้ท <forgiveness> ี่หลังครับแสดงได้แต่คนจังเก็บเมื่วัดเอาทุวนยังรับเงินจากเขไปกระเตงกัเขาอยู่มันแสดงกับบัตรบัดงกััตมาจีบัตแสดงกับบัตรุกทกครไปาไปเอาอยู่เอากวันุวัิกุรัเองกรีไม่ขอเสียหน่อยเนาะใหู้้อื่นรับกรีซึ่งทองแรงเงินหรือยินดีได้ทองแรงเงินที่เขาเก็บไว้เพื่อตนจำนี้คประตี พิจารักเพื่อเป็นของสงมาเป็นอาบัติไม่ได้รับเป็นส่วนตัวรวบภูไม่ยอมเป็นอาบัติเนลยเพราะเงินไม่มีเรื่องนี้กับผมก็ลรอดอยู่ครับไหวผูชเจ้าเจ้าพ่วรัไม่เพื่อตนผู้ที่บอกว่าถิรับเสมอจะได้เอาว่างดไว้เป yes. ็น่ตัวมาไม่ใ่ลกับพระโรกุโวทุทํากกรรวัตถิโกนิทุนก็เรื่องโวทุยากรช่างากร มันก็ว่าบริสุทธิ์แหละแล้วแต่ว่าบไิสุทธิ์หรอไม่ริสูน์หรอภูรกรออกสวยงามไปลกบวชสดน่ามาติวบริสุทธิ์ตายยังไงอ่แช่นแล้วไม่ตกใจแช่นแล้วภูรังคือภูรกรแบบเอาย่ามไปเม่ยวานมาจะสอไปลจับออกมาให้ได้จัาออกมาให้ไปเ ในวันบวชนี่กัน ว, นวนตัวเองก็ได้นดีได้นาอเนาะสมมติว่าอาบัตไม่เกิดข้าใจได้ปน่อาบัตเกิดข้างใจได้ปะที่นตอบนสนามหลวงขานักทัพโทษพอดีนับทัพดีพอดีอาบัตเกิดขึ้นทางใจหรือไม่ถ้ารอดจะตอบออกทางนี้ก็ตอบว่าอาบัตไม่ได้เกิดขึ้นทางใจให้เข้าตอบเย่างเดียเข้าก็ตอบคือเขาเด้ขขเข้าไหนมาปฏิบัติเี่ย ถ้าว่าเป็นเชนา่าอธิการเนี่ยมันทุกสิ่งทุกอย่างอบัตต้องเกิดทางใจเพราะคนตายล่วงแล้วเมื่ออาบัตไม่ได้ก็ปลกพิจุตที่มีชีวิตรักษาอยู่จึงล่วงอบัตได้ถ้าพิจุตตายแล้วจะล่วงอบัตอะไรล่วงก็ล่วงไปแต่ที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าเมื่อตายคณะที่ตายนั้นล่วงอบัตไม่ได้าาถ้าวิญญยังไม่เกิดก ด, ด้วยจิตเป็นธรรมฐาน ถ้าไม่มีจิตจะปฏิบัติเพื่อนายยังไงนายได้เรื่องผิดอะไรก็จิตเป็นผู้ผิดหลงทำก็จิตเป็นผู้หลงไม่หลงก็จิตเป็นผู้ไม่หลงลืมก็จิตเป็นผู้ลืมไม่ลืมก็จิตเป็นผู้ไม่ลืมผู้ที่ไม่ตายก็ต้องเกิดในทางจิตเท่านั้นเราถตอตอนนี้่อไม่ได้ตอบน้ำหนั่นได้ไหมงุมงไหวนี่น <c oughs> <c oughs> ี่นะชชิ้ลิดตัวงุ่มไหวนะครจะทราบว่าตัวจังใจก็ถือชี้ตตกัตว่าถิทุกข์นะ จุดยันดีก็จะคล่องดีก็จะคลองแต่พราะผมคิดได้ใจผมขึ้นได้ใจเนี้ยว่าการยินดีตือนีื่คือจุดต่อมาบ้านผงว่านว่าห่งยินดีนะปัจจัยทีพูดว่า่นห่งยินดีในจีวันบินถาวรเา้นะสระนี้เพื่อยู่พุ้นมันจะไปยินดีในตัวเงินคนว่าสีอกยินดีของคือยินดีเงินยินดีเงินเงินคือดีของหัวหน้าคนตื่ เพาเงินไม่กล้าจากของของไม่กล้เงินขงเขาว่าเงินตรกงๆกับเป็นแนวนเรือ่องที่ว่านงินเงินกับผู้ยิ่งกันเดียวกันเท่าไหร่ผู้ยิ่งเงินจะไปจกบเขาจะไปพูดเกี้ยวเขาจะไปเทบเม็ดฉุนเขาจะไปจับตอเขาจะใส่ให้เขาอันใส่บาทได้อยู่ว่าจะจะไปจกบเขาเขาใส่บาทอะไรอยู่นั่นอันนี้คือกันละ่ะ เข้าเพสมัเป็นอาตเงินนเง่นเพราะเข้าวัน้เก็บไปเพื่อตนเนี่ยเขาไม่หายเข้าไปเสษเท่าละหมื่นสองมื่นทั้บ้าเอาไว้ได้ทลายล่องกูตามปัตยาใส่ล่องกูจะจะใช่อเป่าเขาอาเศษมาฮานิเชียสามหมื่นเข้ามาเขาออกใส่สมวัติถาประโยชน์วัดเ้าประโยชน์วัดว่นน้เงืนเงื่ตัวเข้าเข้าหายลูกขารเขาหายง่ามมันมากง่ามันมากกลับบ้านถ้ามันมีมีเงื่อนเข้าใส่มันกลับบ้านพราะารดั เขาไม่ได้หาไปซื้อให้ซื้อน่าซื้อหัวซื้อสวนได้เห่าเหตุกัรณันโนมอุปถาบตีเทามันก็บตีมัตถุเดียวนี่ท่านโจมตีเท่ามาตีมัตถุตัวนี้เอายจดไม้กระยางกรยางน่มาหาเทาทำก็ปีละร้อยสบายถ้าเป็นผู้บอกเขาเป็นผู้เขียนเขารักษาหอหลวงปู่เตบบประจบประแจงคนตามคิดอย่างไรแนนอให้เขาหงสจักเนาเขาตอบว่ายดไม้เขาตอบว่า ก็มีความลับเขาเขียนไปกมีความลับเี่ยวจับเอกสารของเขาพวกนี้สำคัญคือเขาก้าวตัวสมัยว่าสมัยนเรื่อเ่องวัดเบอร์น้ำหลวงปูเพาะะัน่วโลกสีมันจังลวยว่าะันโรกสีมันในสองโรงแล้วเดี๋ยวนี้เพาะั้นโลกสีมันในเรื่อเรื่องพระในวัดเบอร์นำหลวงปูได้สมัยนี้เพาะฉะน้่มันิมาวด้ราะะัน ลกป wow ูให้ให้ก so so, so, you know so, the ูมาังหมอขามาที่หมอขามาที่แรกหมอขามาเนี่ยจะฮาปีละต้ไม้ต้นไม้ต้นไม้ตัวอะไรเรกบอกโอ้ยมหดไรล้านนะลูกครูมาสั่งเสียนะทำยหอมเนี่ยจะไรล้าน่าสังเสียนะโบเออร์จะรล้านมาสังโอ้ยจะมาเรยนเม้เซอร์มาสั่งได้จีบาใ่โมโนที่บัตรงุ๊กไลูกครูเพราเด็ต้องเสริมอะ้ว่าสั่งลูกครูเคียวแท็กกระดาษไว้เนี่ยคนตาแตกวามื่อไหร่ว โตจะไปเฮ็ดกรสนโตนทุ่นหลายุยปันนี่ น, นขันโตเต้าเรียนเรียกเรยนผ้าเรียนาเนเบอร์จกักสามชี้ิวรู้กรสนขันโตโมีเงินข้าใส่ซ้อยส่เนา้องสิอ้าปากไว้กรั เขาอาอาปากว้แล้วใันไโตใครมาขี่เป่าเข้าห้ํามันนุ่มไวไหมท่านติดาวมาขี่เป่าเข้ามาใั่ไเาอาแล้วเถิดเมียโตกระถิ่งหิวไปมาขี่เป่าเข้าหอะขะาไนจิ้มวัดกูกโตบน่าเฮ้ยขางเอาทังกวันนั่นข้อไหนก็เต้าเล้วอะจังมันก็เลียเต้ามัอไหนมันเต้าข้อไโรงสีอีกสองร่องหรร่งสีร่องหนึ่งว่ะ มันวาสีเขาได้มือละสองงอกแล้ว ป, ป้องพันกระพรายกระสอบตรงนี้